วันคืนล่วงไปให้อยู่อย่างมีเครื่องอยู่พระนรีเราต้องมีเครื่องอยู่นะเครื่องอยู่นี่เราจะต้องมีเจตนาตั้งลงไปถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่กิเลสมันพาไปเครื่องอยู่ในทนี้ก็คือธรรมก็ได้ข้อคิดดีเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้อาจารย์สุพลมาเขาบอกเขาแนะนําหมู่ว่า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 จิตจะต้องพิงวันจะตามกเลสคำว่าจิตมีเครื่องอยู่จิตมีบ้านอยู่ถ้าเราพูดให้ชัดลงไปกคือจิตอยู่กับอารมณ์อยู่กับอารมณ์โดยธรรมอารมณ์โดยธรรมในที่นี้ก็ไม่ก็ไม่เกินคําบริกรรมนั่นแหละเพราะคําบริกรรมนั่นแหละเรานึ่งหลักธรรมเข้ามาบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธโดยคําบริกรรม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 ให้จิตเกาะอยู่กับอารมณ์อันเดียวอารมณ์ัเดียวก็คืออารมณ์ของสมสถะคือทาจิตให้ได้รับความสงบหรืออารมณ์ของวิปัสสนาคำว่าสมสถะก็คือรู้อยู่กับสิ่งเดียวแต่ถ้าเป็นเรื่องของวิปัสสนาก็คือรู้ประกอบไปด้วยสติประกอบไปด้วยสัมปชัญญะพิจรารณาใคร่ครวญไล่ไปตามอาการของกายกำหนดจบจอบ่จอไปตามอาการของจิต พิจารณา ไ, ất, ไล่เหตุไล่ผลต้อนเข้าไปต้อนเข้ามาต้อนเข้ามาตอนเข้าไปให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจแยกแยะรูปธรรมเป็นไงแยกแยะนามมาทำเป็นไ ง, น, น, ไงนี่คือเครื่องอยู่ของจิตถ้าเราไม่เอาอันนี้เป็นเครื่องอยู่ของจิตนยจิตไม่มีเครื่องอยู่แต่ถ้าจิตอยู่กับอันนี้เนี่ยจิตอยู่กับอารมณ์เดียวจิตจะสงบจิตจะสงบพุทโธพุทโธนี่เป็นอารมณ์ เราเอามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตทําเป็นให้ที่ยึดของจิตเป็นที่พึ่งของจิตเป็นที่เกาะของจิตเป็นอารมณ์ของจิตพอเราทําไปทําไ ป, ไปบริกรรมไปบริกรรมไปทากลับไปทากลับไปพุโทโธโดยเนื้อหาที่แท้จริงก็คือทำให้จิตอยู่ทำให้จิตสงบทำให้จิตรู้ทําให้จิตตื่นทำให้จิตจเบิกบานพุโทโธแปลว่าพูดตืน่นแปลว่าพูดเบิกบานพอมาถึงตรงนี้แล้วมันกลายเป็นผลนะ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 มีความรู้ประจำมีความรู้กำกัดมีสติสติคือความระ ล, ลึกระลึกรู้ราลึกรู้ในปัจจุบันส ม, มัชัญญรู้ตัวสติระลึกได้ส ม, มัชัญญรู้ตั ว, มมตวคุณธรทำสองอันนี้ถ้าเขาทำงานประสพประสานกันจนกลมเกลียวกันนะตัวนี้แหละเป็นตัวปัญญาเป็นตัวแสงสวา่างเป็นตัววิชาที่จะไปกากัดจิตให้จิตตืน่นให้จิตเบิกบาน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 หมดหดิดกับเรื่องนั้นหมดหุดหงิดกับเรื่องนี้ลังเลสงสัยวิตกกังวลกระสับกระส่ายรีรีของข ว, างว้างเคว้งเคว้งความฟ้า ง, างสารพัดที่มันเป็นอาการของจิตที่เกิดขึ้นจากจิตไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ยึดไม่มีที่เกาะจิตลังเลจิตสงสัยจิตครึ่งๆคกลางกลางจิตรีรีความขว้างโอกาสที่จะปักใจกับงานอย่างใดอย่างหนึ่งมันปักไปไม่ได้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 ประโยชน์ก็เรื่องก็เราซึง ท, างทราบไปตามวัต ถ, ถุธาตุทั้งหลายทั้งปวงของรูปกายนี่ก็คิดนึกไปไม่ได้พอเผลอสัอกดดนนสหน่อยมันก็พาโดไปไปเรื่องนั้นเผลอสักหน่อยมันก็พาโดไปเรื่องนี้เผลอสักหน่อยมันก็พาโดไปเรื่องนั้นโดดไปอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่มีที่ที่จอดไม่มีที่ไว้นี่คือจิตไม่มีที่อยู่จิตจะมีที่อยู่เราจะต้องทําที่อยู่ให้กับมันการทําที่อยู่ก็คือการตั้งใจบริกรรมนี่แหละ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 น้อมไปสู่ ป, ปัญญาน้อมไปคลี่คลายน้อมไปพิจารณามันก็มีความสุขมันก็มีความเพลินกับการกับงานที่เราพิจารณาไปเ ข, ารรขเข้าใจสัจธรรมข้อนั้นเข้าใจสัจธรรมข้อนี้เข้าใจอาการของกายอย่างนั้นอาจจะเข้าใจอาการของกายอย่างนี้เข้าใจคติของกายอย่างนั้นคติคติของกายอย่างนี้มันจะซึมซึ้มซับเข้าไปกับหลักธรรมชาติ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 อันนี้เป็นข้อปฏิบัตินะเราพูดไปที่อื่นก็ไม่ใช่งานของเราแหละ ง, งา น, นนั้นแหละเป็นงานที่อยู่ในภาคสนาม เ, เป็นงานที่อยู่ติดตัวเป็นงานที่อยู่ใกล้มือเป็นงานที่มาเพื่อเอาเหตุเอาผลเอาอัดเอาทาจากมันตรงนี้นงานตรงนี้งานทําที่อยู่ให้กับจิตงานหาวิหารธรรมให้กับจิตเมื่อมีที่อยู่ดี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 ในสุดจิตก็ไม่ได้อะไรอีกคือเก่าไม่ได้อะไรอีกเหมือนเดิมอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้เป็นต้นรวมไปถึงว่าเรายึดอันนั้นว่าเป็นของเรายึดอันนี้ว่าเป็นของเราตลอดจนยึดสิ่งที่มีอํานาจสูงสุดที่พาให้เรายึดเช่นอย่างยึดรูปหญิงยึดรูปชายแล้วก็มาเสเวยให้ได้รับความสุขใ ห, ให้ได้รับความเพลินใจแท้จริงสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นแค่เป็นเพียงสะพานเชื่อมเท่านั้นเอง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 โลกนี่ศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ยศูนย์เปล่าว่างเปล่ารู ป, ปรธรรมก็เป็นเรื่องของรู ป, ปรธรรมไปนามธ ร, รรมก็เป็นเรื่องของนามธ ร, รรมไปแต่หากมีความมาเกี่ยวข้องมาผูกพันกันด้วยอำนาจของความลุ่มหลงคือจิตคือผู้รู้เนี่ยไปลุ่มหลงเองไปลุ่มหลงเองเพราะฉะนั้นท่านจึงพิจารณาแยกแยะส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมให้เป็นรูปธรรมส่วนที่เป็นนามธ ร, รรมก็ให้เป็นนามธ ร, รรมสิ่งที่พายอยากให้เราต้องการส่วนที่เป็นรูปธรรมจนเป็นเหตุเพลินใจ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 ธรรมชาติที่เป็นเหตุให้เราต้องปดเป็นเหตุให้เราต้องทนถ้าเราจะพูดตามภาษาสมมติเราก็คือมันเจ็บก็คือมันปวดนั่นแหละแต่ถ้าเราดูโดยหลักธรรมชาติแท้เราดูไปที่เนื้อแท้ของมันมันคืออะไรมันเป็นอะไรโดยที่เราไม่ให้คําสมมติว่าเจ็บคําสมมุติว่าปวดมักเกี่ยวข้ อ, ของภายในจิตของเรา outra. จนเป็นเหตุให้เราต้องเหลืออดเหลือทนไม่ให้คําสมมติต่างๆเหล่านี้มาโผล่มาปรากฏดูไปเฉพาะเนื้อแท้ของมันที่มัเนเป็น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 กิดยินดีกิดยินร้ายนี้เองมันเป็นทุกขเวทนาทางจิตมันเป็นโทมนัสเวทนามันเป็นโทมนัสเวทนาถ้าหากจิตได้รับโทมนัสเวทนาแล้วนั่นถึงที่สุดแล้วถ้าหากเราไม่มีอะไรมาลบล้างละเขาต้องจะต้องได้รื้อบรรลังแล้วจะต้องได้รื้อบรรลัง เ, ลเพราะว่าอัตตาตัวตวนมาเต็มแปร่แล้วนี่วิธีการต่อสู้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เราผ่านตรงนี้ไปได้เราเข้ามาอยู่หลัก กับหลักสัจธรรมตรงนี้ได้เราอยู่เท่าไรเท่ากันเราอยู่ได้เพราะว่ากายก็เป็นกายกายก็เป็นเรื่องของกายไปถึงแม้ว่าจิตเราจะสงบไปจนมิดจอ ม, มิดหายเงียบไปบางทีไม่จอ ม, มิดหายไปรับรู้แต่ก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามภาวะของมันจากนั้นเราก็มากําหนดดูความพลิกแพลงของจิตนะคือความขึ้นขึ้นลงลงความกําหนดจดจ่อควา ม, ดดวามตั้งอยู่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 นี่คือสัจธรรมที่เราควรยังเข้าไปถึงรูปธรรมมันก็เกิดเกิดขึ้นข้างมันมันก็ดับไปข้างมันมันเปลี่ยนไปข้งมันความเปลี่ยนไปข้งมันเนี่ยเราเรียกว่ามันดับไปข้างมันอารมณ์องจิตจิตปลารอบอะไรปลารอบรูปลารอเสียงปลารอกายปลารอเวทนาหรือปลารออะไรก็ตามเวลาปลารอมันก็เกิดขึ้นเวลาปลารอมันก็เกิดขึ้นเมื่อเวลาเราตั้งอยู่มันก็เกิดขึ้นพอล่วงไปมันก็ดับไป มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปปราโรคเกิดขึ้นปลารคเกิดขึ้นเราประคองอยู่ก็อยู่เรากำหนดจดจ่ออยู่กับอยู่กับอย่างนี้แหละจิตเข้ามาเข้ามารู้รู้หลักของสัจธรรมอันนี้ก็เป็นอันนึงถ้าหาเราเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ความชุ่มชื่นของจิตความเปลี่ยนพื้นเพของจิตความฉับไวของจิตสติคือความทะลึกได้ของจิตสั้นพิจัญญะความรู้ตัวของจิตเนี่ยมันจะแน่นหนาะมันคง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 ถ้าเราผ่านตรงนี้ไม่ได้เราก็เราก็จะทํางานตรงนี้ยากมากพื้นจิตไม่ได้รับความสงบไม่ใช่ว่าเราเรานั่งปุ๊บปั๊บแล้วก็จิตจะหัภาพสงบแน่นิ่งลงไปพอเราอยู่อยู่ไปแล้วมันล่วงเวลาไปล่วงเวลาไปเครื่องชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงถ้าเราอยากทราบเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องคลิกซ้ายไม่ต้องเปลี่ยนขวาอันนี้นเมื่อเราไม่เปลี่ยนเราก็จะมาประสบอันนี้ เราก็ต้องมาทําความรอบรู้มาทําความเข้าใจตรงนี้ให้ได้เราเข้าใจตรงนี้ได้ก็ได้เป็นพื้นเป็นเพเป็นบาทเป็นฐานได้เป็นอย่างดีโอกาสที่เราจะนั่งทํางานให้มีมีความละเอียดแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปของงานเราก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ถ้าไมงั้นเรามาถึงตรงนี้เราก็รือ้อพอเรานั่งมาถึงตรงนี้เราก็รือ้อมาถึงตรงนี้เราก็รือ้อพอเรารือ้อแล้วเราก็ปล่อย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 อีกก็ถือว่าเป็นการทําความเพียรได้อย่างต่อเนื่องนี่กประคับประคองไปด้วยผลก็จะเจริญขึ้นคนก็จะเจริญขึ้นสิ่งที่แปลกประัศจารใจก็พร้อมที่จะเจริญขึ้นเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นน้อยก็จะเกิดขึ้นไปด้วยเราจะรู้สึกแปลกประหลาดในจิตของเราจะรู้สึกว่ามันเบาจะรู้สึกว่ามันคล่องรู้สึกมันปลอดโปร่งรู้สึกว่าทะลุผูกโปร่งอย่างดูอะไรครับเหมือนกับทะลุผูกโปร่งดูไปก็เหมือนกับมีความสว่างสวัย เวลาเรากําหนดทำความภาคความเปลี่ยนเราหมุนมาอยู่ตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็เป็นวิหารธรรมอันหนึง่งตรงนี้กลายเป็นวิหารธรรมของเราเราจะปล่อยบ้างแล้วก็กาหนดจดจอบ้างปล่อยบ้างกําหนดจดจอบ้างเขาก็ไม่ไปมันมันมั น, ม, น, ม, นมันละเอียดแล้กมันรวดเร็วรวดเร็วการที่จะออกมาวินิจฉัยอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นเสียง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 สิ่งที่เห็นดีหรือไม่ดีจิตไปอยู่ที่นุ่นไม่ได้อยู่ที่กายนี้ไม่ได้อยู่ที่กายนียยยนย้แต่ถ้าหากมันลวงออกมาทางสัญญาด้วยแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพื้นเพของจิตมันลวงมาที่จิตโอกาสาที่เราจะรู้เท่าทันมันยากจนกว่ามันจะล่วงไปมาลู้ทั้งกี่ขณะกว่าเราจะรู้สึกตัวได้เพราะฉะนั้นพึงระมัด ร, ระวังให้มากกว่าครา้งนอกที่จำไปสิ่งที่เป็นธรรมารมอารมณ์ปรากฏที่จิตนั่นแหละ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 ขยับเข้ามาเพื่อที่จะแสดงความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบผลสําเร็จตามที่จิตมันว่าด ต, ต่างๆเหล่านั้นสิ่งควรจะดูสิ่งควรจะดื่มสิ่งควรจะกินสิ่งควรจะสัมผัสสิ่งควรจะถูกต้องมันก็มีกิริยาอาการเหมือนเป็นเปนเหมือนอย่างที่เราเห็นเหมือนอย่างที่เราดูหนังนั่นแหละแต่เราหลับตาอารมณ์ของสัญญาเนี่ยมันก็สามารถจะหลอกเราได้ทีนี้เราดูยังไงถ้าเราดูเราดูด้วยด้วยการมีสติ พอเราก็หมดปับเรารู้ด้วยการมีสติถ้ารูปปัสัญญาตินี้มันยังไม่ดับไปผู้ปสัญญาตัวนี้ก็ยังไม่ดับไปเราก็ใช้สติตอนนี้ดูสัญญาดูสัญญาสัญญามันก็สักถ้ว่าสัญญาสัญญาคือจําได้คือความหมายของคิตคือกิริยาการของคิตแต่ถ้าเรารู้เราทันแล้วมันก็มันก็จะหมดไปเรื่องจิตผู้รู้เด่นชัดอยู่สิ่งเหล่านั้นมันก็จะดับไปีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราอยู่กับกายของเราอยู่กับจิตของเราทุกระยะ ทุกเวลาเราเอามาเป็นเครื่องดูเป็นเครื่องฝึกฝึกฝนเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องฝึกซ้อมได้เพื่อความรู้เพื่อคว า, ามฉลาดเข้าไปข้างในภายในจิตของเรารู้สึกจะฟังยากแหละแต่ถ้าหากเราหมุนมาข้างในดูข้างในได้เราก็ได้ครอบคิดแล้วเราไปคิดไปอ่านเองได้เป็นร้อยแปดพันอย่างอ่ไม่จบสิน้น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 มันก็เป็นผลผลอันหนึ่งที่ทําให้เกิดรูปปัธรรมขึ้นมาเพื่อจิตตัวนี้จะได้มาเกี่ยวข้องกันจะได้มาจับมาจองได้รูปดีได้รูปไม่ดีได้รูปมีภาวะเป็นสัตว์ได้รูปมีภาวะเป็นคนได้ไปตาอํานาจของกรรมตาอํานาจของวิบากกรรมอันนั้นนี่มันมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเหมือนกันนะแต่โดยเนื้อหาของรูปปัตตธรรมแท้เนี่ย เราก็ได้มาจากพอดได้มาจากไห่แต่ว่าด้วยเหตุที่กรรมที่มีอยู่ภายในจิตก็เข้ามาเกาะมากลุ่มมาเกี่ยวข้องมาจับมาจองเนี่ยโดยเหตุผลที่แท้จริงก็คือเท่ากับว่าเขามาสวมรอยฉันเอมาสวมรอยจับจองเสร็แล้วทําให้รู ป, ปธรรมอนี้เจริญวัฒนาทวารไปตาม อ, อำนาจของกรรมกรรมที่เข้ามาเกี่ยวมาข้องแต่ว่าเหตุผลที่แท้จริงของเขาก็ยังไม่ใช่เป็นสิ่งที่เคลือบมาเป็นสิ่งที่แฝงมาเป็นสังขารที่ หลายๆอย่างมาประกอบกันทำให้มีรูปประสังขานทำให้มีมีนามปสังขานขึ้นมาอาศัยอํานาจกรรมคือภาวะของจิตที่สร้างสร้างกรรมลงไปที่จิตแล้วก็จิตก็อมพลังของอํานาจกรรมนั่นแนหะมาที่จิตพอเวลาจิตมาจับจองกับรูปธรรมอะไนที่เกี่ยวข้องกับรูปธรรมอย่างไรมันก็เป็นไปนตามอำนาจของกรรมที่มีอยู่ภายในจิต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 เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วไปทุกระยะโดยเฉพาะอย่างรูปที่มีชีวิตเน่ยเช่นอย่างมนุษย์เช่นอย่างสัตว์เนี่ยเช่นอย่างเนื้อหนังของเราเนี่ยเขาพูดละเอียดลึกเข้าไปอีกว่าเซลล์เซลล์เซลเซล์ก็คือกลุ่มชีวิตของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มที่อยู่ในเนื้อในเลือดเขาว่ามีชีวิตแต่ละชีวิตที่มันเกาะกลุ่มกันอยู่มันเกาะกลุ่มกันอยู่เป็นเซลล์เป็นเซลล์นั่นแนหะมันมีกลุ่มชีวิตเล็กๆ มันเกาะกลุ่มกันอยู่แล้วเราก็มาเกาะเกี่ยวข้องกันนะเกาะเกาะกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่แต่แล้วมันก็ไม่อยู่นิ่งนะมันก็ขยับขยันก็เปลี่ยนแปลงตัวมันจากกลุ่มเล็กๆก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแตกแขนงไปเรื่อยๆก็ทำให้กลุ่มใหญ่ต้องปลอยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแตกแขนงไปเรื่อยคือภาวะไม่คงที่มันไม่อยู่กับที่มันไม่คงที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยมันเปลี่ยนตัวมันไปเรื่อยมันปรุงตัวมันไปเรื่อยมันเปลี่ยนตัวมันไปเรื่อยอเนจังอเนจังทุกขัง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 ไปอ่านดูท่านมีมาตรากระจายอยู่ไม่รู้กี่อโนเป็นหนึ่งปรมาณูไปไ ป, ไปดูมีอยู่เนี่ยดูให้ละเอียดฟังแต่ว่ารูปธรรมที่ท่านพูดไว้ในหลักท่านบอกว่ารูปรูปธรรมของพ่อของแม่ธาตุของพ่อกับธาตุของแม่มาประสมกัน เ, นเล็กเท่ากับน้ํามันงาที่ติดอยู่ที่ปลายขนยามรีกูสลัดไปแล้วเจ็ดครั้งเรามองไม่เห็น